ั้งในการก่อนและบัดนี้เราสอนแต่ทุกข์และนิโรธแห่งทุกข์ก็อาจจะถึงกับบอกว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความทุกข์เรื่องนี้คนย้ำกันบ่อยๆว่าอริยสัจนั้นพระพุทธเจ้าตรัสกิจต่ออริยสัจกากับไว้ถ้าใครทำกิดต่ออริยสัจผิดไปก็พลาดตั้งแต่ต้นไม่ได้รู้จักและไม่มีทางถึงพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะทุกนี้เป็นอริยสัจข้อแรกจึงควรจะแม่นที่สุดถ้าจะให้ง่ายก็ท่องคําบาลีติดลิ้นไว้เลยว่าทุกขังอริยสัจจังปริญญาอย่างทุกข์ัอริยสัจพึงปริญญาเป็นอันว่ากิจหรือหน้าที่ของเราต่อทุกคือปริญญาพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าทุกนั้นสำหรับรู้เข้าใจ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 ก็ดูที่พุทธประวัติทุกคนรู้ว่าก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ทรงบำเพ็ญทุกขากิริยาคือบำเพ็ญตะบะทรมานร่างกายต่างๆตามนิยมของยุคสมัยครั้นแล้วทรงมองเห็นว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดจึงได้ทรงละเลิกทุกขากิริยาอันมาทรงดำเนินในทางสายกลางอันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาจนได้ตรัสรู้ นี่คือเรามักรู้หรือเรียนกันมาอย่างนี้ซึ่งเป็นทำนองคำสรุปแต่ถ้าเราเข้าไปดูพุทธประวัตินาจุดนี้จากพระไตรปิฎกโดยตรงก็จะรู้จากพระพุทธศาสนาชัดเจนมากขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้มีในโพธิราชกุมารสูตรเป็นต้นว่าพระองค์เองก่อนตรัสรู้ทรงดาริว่าความสุข จะลุถึงด้วยความสุขไม่ได้แต่ความสุขนั้นจะต้องลุถึงด้วยความทุกข์จึงได้เสด็จออกผนวครั้นแล้วได้เสด็จไปศึกษาในอาสมของสองดาบทหลังจากนั้นทรงบำเพ็ญทุกขระกิริยาด้วยความเพียรอย่างแรงกล้าได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสก็ไม่เป็นผลอะไรได้ทรงตรนักว่าจะลุถึงคุณนวิเศษด้วยทุกขระกิริยาหาได้ไห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 เป็นความสุขที่จะมีพิษภัยอะไรไหมก็ทรงมีคำตอบเป็นทํานองความมั่นพระทัยว่าเราไม่ได้กลัวนี่ละจึงได้ทรงละเลิกทุกขะกิริยาและดำเนินในมักคาแห่งความสุขอย่างนั้นซึ่งเราสรุปด้วยคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาใส่ลงไปแล้วก็ได้ตรัสรู้จุดต่างที่จะต้องเน้นไว้ คือลทัทธิมากมายในชมพูทวีปถือว่าสุขจะลุถึงด้วยสุขไม่ได้จะลุถึงสุขต้องด้วยทุกจึงบำเพ็ญตะบะทำทุกขกรริยาแต่พุทธศาสนาบอกว่าสุขลุถึงได้ด้วยสุขจึงเลิกทำทุกขกรริยาไม่ให้บำเพ็ญตบะซึ่งเป็นอัตตากิละมาานุโยกไม่ให้หมัวทรมานตนให้ลำบากเสียเวลาเปล่า ความสุขขั้นต้นที่รู้จักกันเป็นพื้นคือความสุขทางวัตถุหรือความสุขจากสิ่งเสพนั้นต้องขึ้นต่อกามต้องอาศัยกามจึงเรียกว่ากามสุขเมื่อพัฒนาความสุขก็คือจะมีความสุขที่เหนือกว่าสูงกว่าดีกว่านี้ขึ้นไปที่ตั้งหากหรือต่างออกไปจากกามสุขนั้นซึ่งเมื่อได้ความสุขนั้นแล้วจะมีคู่กันพร้อมไปด้วยกับกามสุข หรือจะอยู่กับความสุขที่ดีกว่าพระนิกว่านั้นอย่างเดียวโดยเลิกหรือทิ้งการมาสุขเสียเลยก็สุดแต่พอใจเลือกลักษณะ ส, สำคัญของความสุขที่พัฒนาสูงขึ้นไปนั้นนอกจากลดโทษหมดข้อเสียของความสุขที่พึ่งวัตถุแล้วก็คือเป็นความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้นสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องขึ้นต่อการเสฟวัตถุ ดังนั้นในคำที่ตรัสจึงมีข้อความว่าความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกรมไม่ต้องมีอกุศ ล, ลธรรมหมายความว่าการพัฒนาความสุขนั้นก้าวไปกับความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกรรมไม่ขึ้นต่อกามเป็นอิสระจากกรรมคือก้าวไปพร้อมด้วยความต้องการหรือความปรารถนาที่เรียกว่าฉันทะนั่นเอง อีกอย่างหนึ่งในการปฏิบัติที่ถูกต้องนี้ข้อที่สำคัญก็คือมีปัญญาที่ทำให้จิตใจเป็นอิสระถึงแม้ความสุขอย่างประเซิดที่ดีเลิศนั้นจะเกิดจะมีอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มาครอบงมจิตใจเช่นไม่อาจทำให้ติดเพลินหลงมัวเมาเหลืองลำพองสยบตัวตกอยู่ใต้ความประมาทเป็นต้นนี่ก็คือความสุขต้องมากับอิสระภาพ ในความสุขต้องมีอิสระภาพและในอิสระภาพที่แท้ก็มีความสุขทำไมพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาจึงเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างที่ว่าแผ่นดินไหวตื่นกันไปตลอดถึงพรมโลกชั้นสูงสุดก็เพราะเป็นแนวคิดและวิธีชีวิตอย่างใหม่อันให้รู้ถึงสุขด้วยสุขนี่แหละ